t h e มีการอธิษฐานเข้าพรรษากันก็มีทั้งญาติโยมแล้วก็ผู้มาปฏิบัติทั้งแม่ชีบางคนก็มาถือศีลจำบรรษา ก็เป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่งสำหรับการที่ได้มีชีวิตได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมและก็ได้ฟังธรรมกัน ก็ต้องสร้างบารมีไปเรื่อยๆนะชีวิตที่เราเกิดมาก็เป็นชีวิตที่ไม่เที่ยงแล้วก็ทุกคนก็มีแค่ชีวิตเดียวพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจง ไม่ประมาทอย่อยู่ด้วยความประมาทนั่นก็หมายถึงว่าให้พิพจิตรพิจารณาว่าเมื่อเราได้ชีวิตเป็นมนุษย์มาในชาติหนึ่งที่ได้เกิดมาแล้วก็มีความแก่ ตายทุกคนก็เป็นเช่นนี้แล้วก็ทุกคนก็มีแค่หนึ่งชีวิตไม่ได้มีสำรองหรือว่าเป็นอะไรหรือเป็นสแปะไว้ไม่มีจุดเนี้ย จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ได้รู้ถึงความเกิดแล้วก็ดำเนินไปสู่ชีวิตจนถึงก้าวความตายทำไมเราจรึงต้องศึกษาธรรมะทำไมเราจรึงต้องปฏิบัติธรรมทำไมเราจรึงต้องฟัง ธรรมะกันนั่นก็เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่มนุษย์เกิดมาเนี่ยที่มีคำว่าแก่เจ็บตายเนี่ยก็เพราะว่ามนุษย์นั้นอาศัยตัวตันหาอาวิชชากิเลสโลภ โกรธหลงทำให้พวกเราเกิดเหมือนที่พระพุทธเจ้าเเมื่อตรัสรู้แสดงธรรมขึ้นมาพระองค์ก็แสดงให้เห็นถึงร่างกายให้พิจารณา เป็นอสุภะบ้างเป็นอาการ32สบองบ้างเล็บขนฟันหนังเนื้อให้มองเป็นปฏิกูลบ้างเป็นของเน่าเปื่อยของไม่สะอาดหรือของสกปรกแล้วก็มองให้เห็นโดยความไม่เที่ยง ที่มีความเสื่อมไปในอัตภาพของกายนั่นก็บอกแล้วว่าเรามีเวลาอายุรูปนี้มีความเสื่อมไ ป, เ, เ, สมป เ, เสื่อมไปเสื่อมไปเพราะเหตุนี้จึงบอกให้มีสติกำหนดไว้ ไม่ให้หลงกายลืมแก่ไม่ให้หลงกายลืมเจ็บไม่ให้หลงกายลืมก้าว่าตายสติจึงบอกสติกำหนดรู้กายภายในกายเรารู้แล้วว่ากายนี้เป็นธาตุสี่มีอาการสามสิบสอง มีความไม่เที่ยงและสุดท้ายก็มีความแตกดับไปซึ่งเราไม่สามารถที่จะหยุดว่าจะแก่นะอย่าเจ็บแล้วก็อยาตายเนะี่ยเราไม่มีอำนาจที่จะหยุดมันได้หรือบังคับมันได้หรือว่าสั่งมันได้นั่นก็เป็นการบอกว่า ในเมื่อเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นั่นก็ไม่ใช่เป็นของเราโดยแท้ก็เป็นเพียงสมมตุติโดยความไม่เที่ยงเท่านั้นเองเมื่อกำหนดได้พอเข้าใจ เราก็ไม่ยึดติดไม่ยึดผมไม่ยึดหนังไม่ยึดเนื้อไม่ยึดกระดูกน้อยใหญ่ไม่ยึดอวัยวะน้อยใหญ่ว่าเที่ยงนะไม่ยึดนะรูปกายนี้ก็ไม่ยึดว่าเที่ยงนั่นเขาเรียกว่ามีสติเจริญ รู้รู้กาย <c oughs> เห็นกายภายในกายเป็นการเจริญกายาคตาสติสติเป็นในกายกำหนดมางคนนั่งกำหนดจนเป็นโครงกระดูกนั่งมีสติดำรงอยู่เห็นเป็นโครงกระดูกปรากฏ ไม่ได้ไปหลงว่ามันงามหรือว่าหลงว่ามันเที่ยงพอกำหนดได้สติก็ไม่เผลอหลงกับกายจนลืมแก่ลืมเจ็บหรือว่าลืมตายแต่สติจเจริญอยู่ตลอดรู้ว่าแก่เจ็บตาย ทำยังไงเราจะได้ใช้อวัยวะรูปกายธาตุสี่เนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ได้สิ่งที่มีค่าที่สุดหรือประเสริฐสุดพระุทธเจ้าให้กำหนดต่อว่าตัวเวทนาตัวจิต เหมนกันเวทนาที่มีก็เกิดมีสุขเวทนาทุกเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เวลาพอเราเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นถ้าไม่มีสติไม่ตั้งมั่นเราหลงว่าเวทนานี้เรา ทึกทักว่าเป็นตัวเราแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นของเราจริงๆไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราเพียงแต่ว่าเราสเสวยเวทนาก็คือเ ข, เข้าไปรู้ว่าสุขเป็นอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้ไม่ทุกไม่สุขเป็นแบบนี้เกิดทางกาย หรือว่าเกิดภายในใจเกิดในใจก็มีโทมนัตทุกทางใจเกิดความสุขก็โสมนัตเรียกเป็นง่ายๆก็มีความสุขใจความทุกข์ใจเป็นต้นมีความสบายกายมีความทุกข์กายอากาศดีก็สบายเออ ได้นั่งที่สบายรู้สึกสบายกายเย็นกายนะจะบอก่นเราต้องกำหนดเบทนาตะยันหลงทั้งกายแล้วก็ใจผู้ภาวนาเขาไม่หลงนะไม่หลงกายไม่หลงกายภายนอกจิตภายในไม่หลง เพราะมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดมนุษย์หลายคนพอไม่เอาสติมาเจริญระลึกรู้ในเวทนาก็ไปทุกข์ทักใหญ่เลยพอได้สุขมาก็อยากให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นอีกแล้วก็ ยึดมั่นหมายนะว่าเราอยากให้มันเที่ยงอีกเนียพระอริยะท่านไม่ไม่เห็นเหมือนที่เราเห็นตรงนี้ท่านเห็นโดยความไม่เที่ยงแต่พวกเราพอเกิดอะไรขึ้นก็ทุกทักเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา แล้วที่สุดสิ่งนั้นก็จากเราไปสิ่งนั้นก็ผ่านไปโยมสังเกตดูสายลมแสงแดดสายฝนเขาเกิดแล้วก็แล้วก็จากไปเกิดแล้วก็จาก เราไปมั่นหมายก็เท่านั้นไม่มั่นหมายก็เท่านั้นมันมีความเกิดความแปรปรวนอยู่เนี่ยึยงบอกคนปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเข้าถึงธรรมชาติด้วยเข้าถึงกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติธรรมชาติก็เป็นไตรลักษณ์ชีวิตมนุษย์สัตว์มนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็เป็นไตรลักษณ์ เป็นไตรลักษณ์หมดเลยพอเราไปทุกข์ทักมากๆเข้าเราก็ไปยึดยินดีพอใจเป็นอิทธารมพอสิ่งไหนไม่ยินดีก็เกิดความยินร้ายไม่พอใจเป็นอนิถารมขึ้นมาอารมณ์ที่ไม่ชอบ อารมณ์ที่ชอบแต่เราก็ยึดมั่นหมายแล้วก็ทึกทักว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราด้วยนะสุขนี้เป็นเราทุกนี้เป็นเราเราไม่ไหวแล้วนะทุกนี้สุขนี้เกิดเรายินดีเลอกเกินเนี่ย จริงๆอาเมามารู้ตอนตอนที่นั่งสมาธิถึงจุดหนึ่งมันจะอิม่มมันเหมือนอิม่มถ้าเป็นแบตมันก็าชาร์จไม่เข้าแล้วแบตเด็มเนี่ยอิ่มนะเราอย่าเข้าใจว่าชานเที่ยงชานก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยง ปฏิบัติไปวันหนึ่งสติระลึกได้ว่าแม้จิตที่สงบอยู่แม้ฌานที่เกิดอยู่เราก็อย่าไปทุกข์ทักว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดโดยใจเรานั้นน้อมไปสู่ธรรมอันเป็นความสงบที่เกิดจากการทำสมาธิ เขาเรียกว่าจิตนั้นขณะนั้นเกิดความสงบแต่ไม่ใช่ว่าความสงบเป็นของเราโดยแท้นะพอต า, ามาละลึกได้บอกโอ้โหท่ามันลึกซึ้งอย่างนี้ถ้าเราไม่ละลึกจริงๆเราหลงเมื่อกี้เราไปหลงว่าความสงบเป็นเรา จริ ง, รงๆเพียงแต่รู้ว่าอใจสงบก็รู้ว่าใจนี้สงบจิตวุ่นวายก็รู้ว่าจิตนี้วุ่นวายไม่ต้องไปยึดมั่นหมายเกิดก็รู้ดับไปก็รู้แล้วก็วางมันก็เหมือนเป็นเวทีแสดงโลกนี้ก็เหมือนเวทีแสดงพวกเราคือนักแสดง มันคนแสดงจนมายาเยอะมากเยอะสุดท้ายบังทีมายาก็ทำลายตัวเองแสดงเยอะไปทึกทักมันเยอะพอธรมากำหนดได้ก็ก็รู้สึกนะว่าเออก่อนนั้นเราไม่รู้นะ มันเราอยากจะสงบอย่างเงี้ยนิ่งอย่างเงี้ยเป็นวันเป็นคืนแบบโดยเที่ยงเลยเนะี่ยอาตมาก็เคยกำหนดว่าทำไมบรรดาผู้ที่มีอินทรีย์แก่กราที่เข้าฌานในสมบัติไม่ว่าจะเข้าเวาเวทยตนิโรธสมบัติเฉพาะอารหันต์ก็ดีหรือพระปัจเจก หรือพระอาหารหันต์ที่เข้าหรือพระอาาริยะที่มีตบะแก่กล้าในการทำฌานแม้แต่ฤาษีดาบุตรทีเขาก็ทำกันนั่งกันเจ็ดวันเก้าวันสิบห้าวันตมาก็ดูต่อว่าแล้วทำไมเจ็ดวัน จึงออกมาเก้าวันจึงออกจากฌานส5บห้าวันออกจากฌานมาที่สุดแม้ฌานก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงและท่านก็ไม่ได้ยึดเลยนะคนทำได้ถึงจุดนั้นเขาไม่ได้ยึดถือตรงนั้นเพียงแต่ว่ากํำลังของจิตนะแก่กล้าจิต อำนาจชานเนี่ยก็เรียกจิตกำลังเยอะเข้าชานได้ได้แบบสนิทคล้ายเหมือนเหมือนโยนหินลงไปในลำธาร น, น้ำกำลังพอก็จะไม่ลอยไปตามน้ำก็จะหน่วงลงจนไปสงบนิ่งอยู่ใต้ก้นบึงหรือก้นบึง แล้วแต่ท่านจะอยู่ได้กี่วันเจ็ดวันเก้าวันสิบห้าวันสุดท้ายก็จะถอนออกมาทําบอกเออรู้แล้วสุดท้ายสิ่งนี้ก็มีอายุไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งเที่ยงเหมือนกันพอถึงจุดหนึ่งก็จะคลายออกมาถึงจุดหนึ่ง พระรมาเคยนั่งถึงจุดอยู่ๆลืมตาใสาเฉยเลยจิตก็ยังนิ่งนะนิ่งสงบลิศไม่ได้ปรุงไม่ได้แตง่งมันอิ่มไงวะอยู่ๆลืมตาใสาเฉยลืมตานะเฉยกายก็ยังนั่งอยู่ในท่าสมาธิเชยขนาดขยับกายให้เคลื่อนจิตก็ไม่เคลื่อนนะ ถ้นั่งตั้งอยู่งั้นพอเราทำถึงจุดหนึ่งพอเรามีฐานเป็นที่ตั้งกายที่เคลื่อนจิตไม่ได้เคลื่อนนะกายเคลื่อนไหวจิตไม่ได้เคลื่อนไหวนะที่บอกเออความหวั่นไหวเนี่ยมันจะหมดไปเหมือนกันพอกาลังมันเยอะๆเข้ามันมันก็ทำให้จิตมี อำนาจหรือมีกำลังพอทราบก็ ร, รู้มันก็เหมือนชาร์จแบตแบตเต็มพลังงานที่เราไม่ได้สูญเสียอะไรเนะี่ยเราเข้าง่ายนะ่องทีก็เต็มนิ่ง คือเราอย่าหมายว่านั่งสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงความสงบมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพอถึงจุดหนึ่งมันมีก็ว่าอิ่มตัวมันเหมือนแก้อยมต่อให้โยมจะเอาน้ำใส่สักขนาดไหนมันก็มีลิมิตของของแก้วถ้ามากกว่าแก้วมันจะล้นหลักมันก็มีมี โดยหลักเวียศาสตร์ที่เราสัมผัสพอจะเทียบเคียงได้เหมือนกันจิตเราพอถึงจุดหนึ่งพอมันอิ่มให้กินมันก็กินไม่ลงมันจะขคย่นออกแล้วว่ามันมันมันมันจะไม่มันจะปฏิเสธแล้วก็ไม่ไม่รับเพิ่มได้อีกตู้วนกันโยมลองนึกโยมเอาเสื้อผ้าโยมใส่อัดอัดอัดซื้อมาซื้อมาอัดอัด มันก็เต็มได้เท่าตู้นั่นแหละเออกว่าเราจะเข้าใจสติต้องระลึกได้จิตต้องตั้งได้ใจเรามันต้องต้องมีตัวรู้นะมันต้องผ่านผ่านในความยึดถือตัวตนด้วย ถึงบอกมนุษย์ไม่อิ่มด้วยตัวตนใจไม่อิ่มด้วยกิเลสมันเป็นสัจธรรมนะมนุษย์เนี่ยไม่อิ่มด้วยตัวตนใจไม่อิ่มด้วยกิเลสเสพเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากอยากอยากอยากอยากมันไม่พอนะอายุไม่พอ อายุก็บอกชีวิตเดียวเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายวัยก็เปลี่ยนไปจากเด็กเป็นนมเป็นสาววัยกลางคนแล้วก็เป็นวัยสูงอายุแล้วก็หมดเรี่ยวแรงลงพอกำหนดเวทานาได้เราจะรู้เลยแล้วไม่หลงนะเราจะไม่หลงติด ไม่ว่าสุขหรือทุกข์สำคัญนะสำคัญนะการกำหนดเวทนามีช่วงหนึ่งแต่มาก็เคยนั่งกำหนดอยู่กับทุกข์เวทนาเกิดกล้ามากน่าทุกข์ทุกข์บีบคั้นมากทางกายหรือว่าเกิดการถูกเสียบแทงทางธรรมรมใจเราเนี่ยที่เกิด ใช้สติดูจิตดูกายดูจิตดูดูเวทนาเกิดมันทรมารมีหน้าจริงเรียกว่าทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากแล้วเรายังทนอยู่ก็แสดงว่าเราอยู่กับทุกข์ตรงนั้นอยู่ได้นานเท่าไหร่ ก็ถือว่าเราอินทรีย์บารมีก็แก่กล้าขึ้นเท่านั้นเหมือนกันมีนาเตียงบอกว่าให้มีการฝึกขันติบารมีก็คือทนในสิ่งที่ที่เราต้องทนแต่ได้นานแค่ไหนก็สุดแล้วแต่ตรงนี้อยู่ที่แต่ละคนนะ ความอดทนคนมันก็ไม่เท่ากันความขยันก็ไม่เท่ากันมันก็เป็นบัณฑนาบารมีของผู้ปฏิบัติแต่ละคนนั่งดูเวทนาเคยดูเป็นคืนที่นั่งดูเจ็บปวดแล้วก็ดูมันแต่ที่รู้ก็คือว่า ใจไม่โกรธอยู่กับความเจ็บปวดแต่ใจไม่โกรธไม่พยาบาทไม่เครียดแค้นไม่มีความชิงชังบอกเออนี่แหละนี่แหล ะ, หละที่เราจะหลุดพ้นจากจากจากกายตรงนี้ถ้าเราไม่ยึดถือก็ทุกที่มีกาย แต่ใจนั้นไม่มีทุกข์ได้ปอกถ้ามาบอกอารหันก็อยู่ตรงนี้เองท่านแยกกายแยกจิตท่านรู้ชีวิตอยู่กับธรรมะแบบไหนเข้าใจแล้วท่านรู้ถึงกงเกวียนกงกรรมกงกรรมกงเกวียนจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญนะ กงเกวียนกงกำกงกำกงเกวียนเหมือนท่านรู้สิ่งที่ที่กำลังจะมาแขกผู้ไม่เชิญแสดงว่าเป็นผู้มารายก็มีถ้าแขกผู้รับเชิญส่วนมากมาดีก็บบอก ท่านเล่าก็เป็นเล่าพิษเดียวแต่ว่าเออถ้าท่านรู้ท่านก็ไม่หวั่นไหวนะไม่ตกใจมีชีวิตเดียวเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ตกใจเพราะท่านรู้ว่ากรรมนี้มีผลกรรมนี้มีผล มันมาแล้วต้องชดใช้จะ ด, ดิ้นหนีก็ไม่พ้นท่านยอมรับผลกรรมแต่ท่านไม่ได้ยอมแพ้ชะตากรรมท่านก็ยังสร้างบุญทำความเพียรปฏิบัติ จึงบอกกรรมรับแต่บุญสร้างใหม่บอกเออเนี่ยคำว่าคนใช้ความเพียรเนี่ยที่จะหลุดพ้นได้ก็ต้องใช้ความเพียรแบบนี้กูสนไม่หยุดสร้างแต่บาปกรรมนี้หยุดทำแล้ว ไม่หยุดในการสร้างกุศลแม้แต่วันเดียวยังไม่มีก็ไหวพระสวดมนต์ทุกวันที่พวกเราทำพระสงฆ์องค์เลนไม่ชีไหวพระทำวัด ช, ช้าวัดเย็นฟังธรรมนั่งสมาธิแผ่เมตตาอุทิศ ส, ส่วนกุศล น, นี่คือการบาเพ็ญตนทุกวันแล้วก็สร้างกุศลทุกวัน ถ้าเรามีกำลังทรัพย์ก็เป็นการบริจาคทานเข้าปลาอาหารขานมนมด้แจะทำเสนาสนะอะไรก็สุดแล้วแต่เป็นการเผื่อแผ่ช่วยเหลือเป็นสาธารณกุศลว่าถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ พอเข้าใจเวทนาแล้วเราจะไม่ยึดติดไม่ยึดติดสุขหรือทุกวันนี้ก็คืออีกหนึ่งวันของชีวิตที่ยังไม่ตายไม่ต้องยึดแล้วเราก็เดินต่อไปอีกไปสู่วันพรุ่งนี้ต่อ ไม่มีคำว่ายอมแพ้ไม่มีแต่ไม่ใช่จะไปเอาชนะใครเพียงแต่ใจนั้นไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมอะไรจะเกิดขึ้นถ้ายังหายใจอยู่เราไม่แพ้เราก็ยังสู้ต่อชะตาชีวิตใมว่าทุกข์จะอยู่ข้างหน้า ก็ต้องเดินไปหามันสุขจะอยู่ข้างหน้าก็ต้องเดินไปไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องเดินไปหยุดไม่ได้ถอยไม่ได้ชีวิตยังไม่ตายก็ต้องเดินต่อผ่านมันไปข้ามสะพานไปเขาเรียกว่าผ่านพ้นชีวิตไม่ว่า บันเวลาจะวิกฤตหรือจะเป็นสิ่งดีเท่าไหร่ก็ตามจำไว้อย่างว่ามนุษย์สัตว์โลกล้วนมีกรรมเก่าทั้งนั้นส่วนหนึ่งก็มาใช้กรรมอีกส่วนหนึ่งก็มาสร้างบุญใหม่ พอเราปฏิบัติได้เข้าถึงเวทนามีสติเราจะไม่รู้สึกว่าสุขนี้เที่ยงหรือทุกที่มีอยู่มาเที่ยงเราจะไปทึกทักมากวันนี้เราทุกบางทีเรา ทุกจนโกรธจนมองอะไรไม่เห็นแล้วหรือว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วในะจริงๆไม่ใช่บางทีเราอาจจะปรุงแต่งมากด้วยซ้ำไปเพิ่มเข้าไปอีกนิ่งสักนิดตั้งสติสติจิตตั้งให้มัน่น แล้วค่อยๆแก้ไขไปค่อยๆแก้ไขไปหนักไปหาเบาจนกว่าสิ่งนั้นผ่านเราไปอีกนั่นก็ถือว่าเราได้ชดใช้วิบากนี่เวศกรรมที่เป็นอกุศล ส่วนเรื่องบุญกูรสนมกผลก็ต้องเพียนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายกำหนดจิตกายเวทนาจิตให้รู้ว่าจิตของเราตอนนี้จิตปรุงแต่งฟุงส่้านรำคาญพยาบาทมากๆด้วยกรรมคุณหรืออะไรเนี่ยกำหนดดูให้รู้จิต ภายในจิตภายในเขาเรียกว่าสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ไม่ใช่ของวันนี้นะทับถมมาไม่รู้ในชาติไหนมาความโกรธบางทีเราเคยโกรธสิ่งนี้มาแล้วไม่ใช่ชาตินี้ก่อนก่อนก็มี แม้ชาตินี้เราก็ยังผูกใจโกรธอยู่อีกก็มีบางอย่างมันไม่มีเหตุผลนะความโกรธไม่ต้องใช้เหตุผลนะที่บอกเออมนุษย์สิ่งที่ติดใจมานานเรียกว่าอนุสัยหรือยางเหนียวนะมันฝังอยู่นานนะ มันตกผลึกอยู่ในจิตบางทีผู้ภาวนายังไม่รู้ด้วยนะคือเรายัางยังลงไปไม่ถึงด้วยซ้าไปเรายัางลงไปไม่ถึงก้นบึ้งแห่งใจตัวเองมีนาบูจาบอกให้เจริญสติรู้จิต ภายในจิตรู้จิตนะภายในจิตรู้จิตหนึ่งก็คือปัจจุบันการปรุงแต่งเป็นในฝ่ายกุศลอกุศลรู้จิตพอลึอกก็ว่าภายในจิตนะัต่นแปลว่าสิ่งที่มีมา มีมาหรือเคยมีมาหรือสิ่งนั้นทับถมอยู่ภายในจิตเราตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอนุสัยใครจะถอนอนุสัยได้หรือสำรอกกิเลสได้เนะี่ยถ้าอินทรียบาลมีไม่แก่ไม่มีทางไม่มีทาง เพราะสิ่งนั้นดูเหมือนว่าเรายึดมั่นเหมือนเป็นตัวเราของเราไปแล้วแล้วกล้าที่จะสละว่าสิ่งนั้นเป็นของเราที่มีมานานและเราจะสละออกยากยากจิตที่มันผูกพันที่มันฝังลึกเราไม่สามารถจะผลานอนุสัยได้ง่ายๆ เดีย๋ยวจะถอนมันออกได้ง่ายๆ ย, ยากก็รากมันลึกนึกถึงต้นไม้ต้นใหญ่ๆโยมลองไปโอบดูแลลองกอดแน่นๆแล้วก็ถอนดูเลยไม่มีทางขึ้นไม่มีทางมัน รากมันลึกอย่างลึกมีหน้าถึงบระว่า ต, ต้องมีอินทรีย์แก่กล้าศรัทธาก็ต้องแก่กล้าสติต้องแก่กล้าสมาธิต้องแก่แกล้าความเพียรต้องแก่กล้าแม้ความรอบรู้ในปัญญาตรงนี้ก็ต้องแก่กล้าด้วย เราไปอุ้มถอนแบบนั้นมันไม่ได้แต่มีวิธีที่จะให้มันล้มถอนตัดรากถอนโคนก็ต้องขุดโยมต้องขุดใจตัวเองขุดลงไปขุดถ้าทางพื้นดินพวกเราก็หาจอบเสียมขุดแต่ทางจิตภายในเนี่ยคำว่าขุดโยมต้องใช้คำว่า ขุดญญใช้ธรรมะนี้ขุดแทะไปเลยธอยโมปฏิโปวิยะตะสัสสัตถุโนพระธมของพระสัส ด, สดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป พ, พอเราเห็นเรามีปัญญา โยมต้องขุดขุดไปทุกวันจริงอยู่วันนี้ยังไงก็ไม่ลม้มยังไงยังไงก็ไม่ลม้มเพราะต้นมันใหญ่ลากมันลึกขุดขุดขุดขุดในที่สุดมันต้องลม้มแต่ถ้าเราไม่เข้าใจไปกอดรักแน่นนะ ฟั์กับมันอยู่เนี่ยตายก็ไม่มีทางลมกอดขยิงขาดึงขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นต้องขุดคำว่าขุดมันก็เหมือนกับเราย้อนย้อนย้อนและลึกตึกทุกอย่าง มันเกิดจากอะไรโยมต้องย้อนไปก็ถึงบอกว่าเมื่อใจเป็นทุกข์ก็ไม่มีอะไรดับมันได้นอกจากต้องเอาใจเรานั่นแหละเป็นตัวดับทุกข์เมื่อใจเป็นทุกข์เราต้องเอาใจเนี่ยมาดับทุกข์ความหมายก็คือทุกข์เกิดจากอะไร จงห้ามใจจากสิ่งนั้นคำนี้ก็ไม่ยากนะความทุกข์เกิดจากสิ่งใดจงห้ามใจจากสิ่งนั้นพอกาหนดได้ตรงนั้นแหละเลาก็ค่อยเจาะลงเจาะเจาะไปเรื่อยเรื่อยรื่อยเรื่อยคือของใหม่ก็ไม่เพิ่ม ของเก่าก็ถูกถอดถอนไปเรื่อยถูกขุดไปเรื่อยถูกทไลายไปเรื่อยถูกเสาะถูกแสะไปเรื่อยัตมาเชื่อไม่โค่นล้มในชาตินี้ก็ต้องชาติต่อไปในที่สุดต่อให้ต้นใหญ่ขนาดไหนมันก็ต้องล้ม ตอให้ต้นใหญ่เทียมฟ้าก็ล้มเชื่อเถอะแต่ไม่ใช่ล้มภายในปีเดียวหรือชาติเดียวขอให้เราขุดลึกลึกลึกลึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ตัดรากมันจะไม่มีที่ยึดเกาะและมันจะไม่มีตัวดูดซับจิตลึกๆเนี่ย รู้ไหมว่ากิเลสมันต้องการอาหารที่ให้พวกเรายินดีกับกรรมคุณนะเพื่อสนองอนุใสเก่าเรา呐สนองนะมันเป็นอาหารที่ต้องเลี้ยงไม่งั้นกิเลสตายเหมือนกันมันต้องให้มีความโกรธเป็นอาหารมีความโลภเป็นอาหารมีความทะยานอยากเป็นอาหารมีความยินดี ในราคะในกามในทางรูปในรสในกลิ่นในเสียงเป็นอาหารถ้าเราไม่ให้มันอย่างนี้สักปีสองปีนะรับรองได้ว่ามันก็หมดแรงเหมือนกันหมดนะเหมือนกับเราปิดทางหมดเลยไม่มีทางเสบียง เมื่อไม่มีสเสบียงลำเรียงส่งให้แต่ว่ามันแรงดีแค่ไหนมันก็อยู่ได้อีกไม่นานวันสุดท้ายมันก็ต้องตายฉนั้นถ้าเรากำหนดรู้จิตในการปรุงแต่งว่าเป็นฝ่าย กุศลาธรรมะหรืออกุศลาธรร ม, มหรืออัพยากตาธรร ม, มาก็ตามทำเป็นฝ่ายกุศลอกุศลหรือเป็นกลางกลางก็ดีให้รู้ก่อนแล้วก็รู้ภายในก็คืออนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ภายในใจของเรา บางคนยังกำหนดไม่รู้นะว่าตัวเองมีจริตแบบไหนบางคนมีโทสะจริตบางคนมีราคะจริตพุทธจริตสงสัยเรื่องปัญญาถามเยอะฟุ้งไปหมดบางที แต่ละคนก็มีจริตของแต่ละคนบางคนก็ไม่รู้ตัวเองไม่รู้คนมีราคะจริตก็จะชอบสิ่งสวยๆงามๆเห็นไม่ได้นะเห็นของสวยงามบาดใจเลยนะปื้เดเต๋อบาดบาดใจเลย งคนก็ขี้สงสัยเห็นอะไรก็สงสัยไปหมดไม่ว่าเรื่องอะไรอยากรู้อยากเห็นไปหมดเออแปลกถ้าเรายิ่งเข้าใจแล้วเราก็นั่งกำหนดดูใจเราเออเรามีจริตอะไรดู พเรารู้นและารกรู้จิตภายในของเราเราต้องแก้ต้องแก้นะแก้ไขอนุสัสภายในเราเป็นแบบไหนเราต้องอย่าให้อาหารมันอีกอย่าทชชบอก ทวนกระแสคือเราจะไม่ให้ไหลาตามที่ไหลาตามก็คือปลาที่ตายแล้วนะันะไหลาตามน้ำตลอดแต่ปลาที่ยังเป็นอยู่มันทวนกระแสทวนกระแสฉะนั้นพอเราปฏิบัติรู้ภายในจิตเนี่ยต้องเอาธรรมะเข้ามาชำระจิตแล้ว ธรรมะชัมระจิตเอาธรรมะเข้ามายมจะทำข้อไหนก็สุดแล้วแต่นั้นขึ้นอยู่ที่สติปัญญาวิธีของการภาวนาว่าเราสามารถแก้อารมณ์จิตได้ไหมเราแก้อนุสัยเราได้แค่ไหนถ้าไม่อย่างนั้นเราไม่รู้จิตภายในจิต ปรุงแต่งอยู่จนฟุ้งหมดแล้วจิตเลิกมีแต่ความผูกพยาบาทก็มีข้ามภพข้ามชาติอยู่พอเข้าใจแล้วเอาธรรมะเนี่ยนะมาปฏิบัติในจิตเราอย่าไปยึดความเป็นตัวตนอย่าไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา ยมไปเข้าใจว่ากิเลสเป็นของเราผิดแล้วผิดเข้าใจว่าความโกรธเป็นของเราในผิดความโกรธมาหลังจากที่เราเราถูกย้อมมาแล้วนะชีวิตก่อนนั้นเกิดใหม่ๆยินดียินร้ายเนี่ยยังไม่มีด้วยซ้าไป ความชอบในรสอาหารรสเผ็ดหวานมันเค็มยังไม่มีเลยแต่พอถูกป้อนมันเหมือนถูกย้อมไปได้สัมผัสได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รับรู้ได้ลิมรสขึ้นมาก็พอเราไม่มีสติพอนะไม่รู้ว่าเราไปยึดตอนไหนนะ ไม่รู้เราไปพอใจตอนไหนเกิดความชอบตอนไหนเกลียดชังเมื่อไหร่บางทีมันเร็วมากเร็วฉะนั้นการปฏิบัติภาวนานะทีบอกเราต้องรู้จริตตัวเองภายในจิตเป็นอย่างไง เมื่อเห็นรูปปรุงแต่งยังไงฟังเสียงปรุงแต่งยังไงเสียงสรรเสริญเป็นยังไงเสียงดินทาเป็นยังไงเสียงด่าเป็นยังไงเห็นของที่ชอบเป็นยังไงที่สวยงามเห็นของไม่งามเป็นยังไงต้องฝึกกาหนดจิตไปเรื่อยๆจนรู้เท่ารู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้น ภายในจิตเราขุดมันทุกวันทุกวันทุกวันพอเข้าใจถึงที่สุดเราจะพูดคำสุดท้ายคือธรรมะเราจะรู้ธรรมที่เกิดที่ดับคำว่าธรรมะเราต้องรู้พอพูดธรรมะต้องรู้ความเกิดดับถะามาฟังดูพระเจ้าแสดงธรรมมา สุดท้ายเย ja ja ah ธรรมเราเหตุปปภาวเตสังเหตุตงตะท่าขโตเตสัญนจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมห้าสมานูแปลว่าทำเหล่าใดมีมาแต่เหตุพระตถธาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมพวกที่เจ้าแสดง ชัดเลยความเกิดแห่งธรรมและความดับไม่ได้สอนให้เกิดแล้วก็ยึดติดให้เห็นความเกิดและความดับฉะนั้นมนุษย์ตั้งแต่เริ่มเกิดมาใช้จนถึงก็มาตายเนี่ยทำไมเรายังมีทุกข์ตกค้างอยู่ในใจอีกหรือ หรือยังมีความครับแค้นตกค้างอยู่ในใจอีกคร้งทั้งที่บทความชีวิตของเรานี้หมดแล้วแต่ใจที่เป็นอุปทานแห่งความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ยอมเลิกลาแสดงว่าเราไม่ถึงคําว่าความเกิดและความดับเราเข้าใจความเกิด ปรากฏยึดมั่นแล้วก็ติดอยู่ด้วยความยินดียินร้ายทันทั้งที่กำลังจะจากโลกนี้ไปแต่ใจนั้นเหมือนยึดอยู่กับภพบที่ตัวเองใช้มาแล้วมีหน้าที่บอกโอเะ ภูมิที่เราติดกันภาวะโอคะคือภูมิพบที่เราอยู่กวามโอคะทิฐิโอคะความเห็นตัวเองยังหลงอยู่บางทีวิชาโอคะเกิดมาที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยเราก็ยังหลงอยู่สิ่งนี้ก็ทําให้เราจมอยู่ในวังวนแห่ง วัะที่หมุนเวียนอยู่ด้วยความเกิดแก่เจ็บตายนั่นแไม่จบไม่สิน้นพอเข้าใจธรรมสติรู้ธรรมในธรรมก็คือเห็นธรรมก็คือเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และโยมต้องพิจารณาจนถึงสิ่งเกิดมีความแปรปรวนสิ่งเกิดมีความไม่เที่ยงสิ่งเกิดมีความเปลี่ยนแปลงและสิ่งเกิดนั้นที่สุดมีความเสื่อมมีความแตกมีความสลายมีความพัดพรากและที่สุดมีข้อมาตาย แล้วก็แตกดับมนุษย์สัตว์มีชีวิตก็เรียกว่าตายสิ่งของมีการสูญหายมีการพังบางอย่างก็มีการสลายหรือแตกดับจะบอกเออ หรือช่มถ้าเป็นดอกไม้เหี่ยวเฉาร่วงไปในที่สุดเมื่อเข้าใจถึงธรรมะตรงนี้ใจจะไม่ทุกข์นะทำไมบอกไม่ทุกข์เพราะเข้าถึงธรรมะแล้วไม่เอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่เอาธรรมะ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นธรรมชาติเกิดแปรปรวนเสื่อมสลายบังคับบัญชาไม่ได้ที่สุดก็แตกดั บ, บก็มาเออเกิดหนึ่งตายหนึ่งเกิดร้อยตายร้อยเกิดแสนตายแสนเกิดล้านตายล้านเกิดเท่าไรตายเท่านั้นทุกอย่างเครื่องใช้ไม้สอย ก็มีคำว่าพังมีคำว่าเสียหมดสภาพประโยชน์อยู่ที่เราได้ใช้แล้วใหญ่ต้องยึดอีกเมื่อมันพังไปแล้วก็จบเมื่อมันเสียแล้วซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ต้องโลเป็นเศษเหล็กไปมนุษย์ผิดพลาดตรงนี้เองตรงที่ว่าไม่ได้มองเป็นธรรมมองเป็นเราเป็นเขาเป็นของเรา มองเป็นความเที่ยงไม่ได้มองเป็นธรรมะจะบอกมนุษย์จิตจริงไม่ว่างเพราะความยึดมัน่นจิตจริงไม่สงบเพราะไม่รู้จักปล่อยวางจิตมนุษย์จริงไม่ได้พบอิสระเพราะไม่เคยปรงอะไรเลย ในที่สุดเราก็จะถูกธรรมชาติที่เป็นธรรมเนี่ยสอนเราไปให้รู้ว่าความพัดพลาคความสูญเสียการล้มหายตายจากเขาจะสอนเราให้ ถึงไตรลักษณ์ในที่สุดไม่เที่ยงมีสภาพทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้ทนอยู่สภาพนั้นไม่ได้ที่สุดก็แตกดับและสุดท้ายก็ว่างเปล่าถ้าเราสรุปคํานี้ไม่ได้ธรรมะเราก็ไม่ถึงที่สุดที่สุดก็ว่างเปล่า ทรบกระบอกอนัตตาที่สุดก็อนัตตาชีวิตมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมเมื่อถึงสูงสุดแห่งการบำเพ็ญธรรมสุดท้ายจิตนั้นอนัตตาไม่ใช่อัตตาจิตนั้นอยู่เหนือสมมุติจึงเรียกว่าเป็นวิมุติ ทุกอย่างเราผ่านแล้วสิ่งสมมุติพอปัญญาเกิดเราถึงเข้าใจว่าสิ่งที่อยู่เนื้อสิ่งสมมุติก็คือจิตนั้นไม่ยึดมั่นแล้ววิมุติเกิดขึ้นมนุษย์ทุกทักกันใหญ่โตสุดท้ายไม่เห็นใครได้อะไรไปเลย นอกจากใช้ชีวิตแก่เจ็บตายสุขทุกข์ดีใจเสียใจได้มาจากไปและที่สุดมันก็ผ่านไปใหญ่เราต้องมั่นหมายกับสิ่งนั้นบางคนจนเป็นบ้าก็มีฆ่ากันก็มีแย่งชิงกันก็มีทำลายกันก็มีทะเลาะกันก็มี ป้ายสีกันก็มีวุ่นวายไม่สิ้นสุดมนุษย์เพราะไม่เข้าใจการเจริญสติไม่ว่ากายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเมื่อกำหนดไม่ถึงธรรมะแท้จริงใจเราเองก็ไม่เคยวางอะไรเลย สุดท้ายเราถูกโลกแบบ น, นี้ทับทำไมเราไม่ไปยืนอยู่เหนือโลกใบ น, นี้พระพุธทธเจ้าเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่ใต้โลกให้โลกทับนะนั่งอยู่เหนือโลกใครว่าโลกนี่วุ่นวายแม้เราตายไปคนหนึ่งโลกก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ หลักของธรรมะก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่เป็นเช่นนี้แล้วทำไมเราจรึงให้โลกนี้ทับเราสุดท้ายเราเปรียบได้ก็เพียงแค่ เปรียบได้แค่เพียงทุลีดินเท่านั้นแตมาบอกแตมาให้แค่นี้จริงๆที่สุดชีวิตมนุษย์เมื่อใช้เสร็จแล้วแตมาให้ได้ก็คือแค่ทุลีดินพอใจไหมหรือโยมจะเอามากกว่านี้ที่สุดเหลือเพียงทุลีดิน หลงกินมาตั้งหลายปีคิดว่าจะได้ดิบได้ดีในบ้านปลายที่สุดสุดท้ายท่านสรุปว่าได้เพียงคำว่าทุลีดินเป็นไงโ ย, โยมทราบซึ่งไหมสิ่งที่ได้สุดท้ายเป็นเพียงทุลีดินนั่น ที่พอให้คนอื่นเ็าเห็นอยู่บ้างทุลีดินนอกนี้ก็คือเหลือก็แค่คำว่ากรรมวิบากในจิตบิน ญ, ญาณของสัตว์นั่นๆนใครจะไปในภูมิชาติพบไหนก็อยู่ที่สร้างกุศลหรืออกุศลไว้ นาทีนั้นไม่มีใครช่วยใครได้สิทธ์ช่วยอาจารย์ก็ไม่ได้อาจารย์ก็ช่วยสิทธิ์ไม่ได้นาทีสุดท้ายนะพระพุทธเจ้าจึงใช้ว่าพระองค์เป็นผู้ชี้บอกทางตุมเพ ห, หิกิจจังอาตบังอาคาตารูตัทธาคตาปฏิปันาปโมก ค, คันติชายิโนมารพันธนา บอกพวกเธอทั้งหลายจงเดินตามตถาคตเถอเราเป็นเพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นพวกเธอจงเดินตามคำพร่ำสอนของเราเถอแล้วจะพ้นจากมารฉะนั้นก่อนตายจิตคำว่าจิตมารต้องดับให้ได้ จิตมารที่ยังเป็นอกุศลทั้งหมดโยมต้องสยบมันให้ได้ไม่งั้นโยมจะเป็นมารพระคุณเจ้าก็จะเป็นมารระวังไว้ระวังไว้เราจะเป็นมารย่งบอกเออเข้าใจแล้วฉะนั้นแสดงจิตให้แจ้งขึ้นมา อย่าไปลงไหลอยู่กับชีวิตที่ต้องตายนะต้องแก่เจ็บแล้วก็ไม่ได้สร้างกุศลเลยหมกมุ่นอยู่กับแก่เจ็บตายหมกมุ่นอยู่กับเพียงร่างกายและทอดทิ้งกุศลแห่งจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดมหาหันเลยก็สมควรเวลานะในการฟังธรรม ก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ